ซึ่งน้อยนักที่เราจะพบในที่อื่นๆทั้งสองรูปแบบนั่นก็คือรูปแบบสำนวนที่ย้ำให้เห็นอย่างชัดเจนและยอมรับในที่สุดรูปแบบสำนวนการสอนให้จดจำประการที่หนึ่งสำนวนที่ย้ำให้เห็นอย่างชัดเจนและยอมรับในที่สุดคือคัมภีร์อัลกุรอานจะเสนอหลักฐานที่เกี่ยวกับการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์โดยระบุถึงหลักฐานที่บ่งบอกถึงการมีอัลลอฮ์ พระองค์ทรงเดชาสามารถเป็นผู้มีอำนาจในรูปแบบที่ต้องยอมรับเช่นได้จากข้อความที่ใช้ในอัลกุรอานในรูปสรรนามแทนพระองค์เป็นการย้าและเน้นให้เห็นอยู่เสมอแล้วในที่สุดมนุษย์ก็ต้องยอมรับในความเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้วิบาโด้วยปริญายประการที่สองจำนวนแบบการสอนให้จดจำเช่นสอนในทรารสุลลอสลลอวะสลัมได้เอาไปโต้ตอบ วิธีนี้จะมีมาในรูปคำถามและคำตอบ้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าบทอัลอันอามจึงเป็นบทมักกิยาที่มีความยาวและความสำคัญในการเผยแพร่ เ, เชิญชวนสู่อิสลามซึ่งประกอบไปด้วยข้อเท็จจริงต่างๆองค์ประกอบการให้อกภาพต่อเล่อในด้านการสร้างและการบังเกิด กล่าวถึงท่าทีของพวกปฏิเสธศรัทธาต่อศาสนทูตและเรื่องราวของคนรุ่นก่อนๆ ก, กล่าวถึงวันฟื้นคืนชีพและวันแห่งการตอบแทนความดีความชั่วพร้อมทั้งได้กล่าวถึงบิดาแห่งบรรดาศาสนทูตคือท่านนาบีอิบราฮีมอะลัยฮิสลาหซึ่งเรื่องราวของท่านนั้นเป็นอุทาหรณ์อันดียิ่งแก่พวกเราทุกคนสาเหตุที่ตั้งชื่อบท น, นี้ว่าอั ล, ลอัลอา เพราะในบท น, นี้มีเรื่องเกี่ยวกับปศุสัตว์และสัตว์สี่เท้าอันได้แกอ่อูดอัวแพะและแกะด้วยพระนามของอัลลอฮผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสม อ, อ มมบบการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและได้ทรงให้มีความมืดและแสงสวา่างแต่แล้วบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นก็ยังให้มีสิ่งอื่นเท่าเทียมกับพระผู้วิบานของพวกเขา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 ไม่มีองค์การใดจากบรรดาองค์การแห่งพระผู้บานของพวกเขามาอย่างพวกเขานอกจากได้ปราบกฏว่าพวกเขาผินหลังให้แก่องค์การนั้นแน่นอนพวกเขาได้ปฏิเสธความจริง เมื่อความจริงนั้นได้มาอย่างพวกเขาแล้วข่าวคราวของสิ่งที่พวกเขาเคยเย ớ ยหยันงไว้นั้นก็จะมาอย่างพวกเขาอาลัมยระวงคำอละคนามิน ق ดลิมมินเกริมมัคคันนะุมฟิลอร์มัคคันนะุมฟิลอรดมาลำนุมกินละคุม ن ن พวกเขาไม่ได้เห็นดอกหรือว่ากี่ประชาชาติมาแล้วที่เราได้ทำลายมาก่อนหน้าพวกเขาซึ่งเราได้ให้พวกเขาเคยมีอำนาจ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 หากเราได้ลงมาแก่เจ้าซึ่งคำภีฉบับหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้ในกระดาษและพวกเขาก็ได้สัมผัสคำภีนั้นด้วยมือของพวกเขาเอง แน่นอนบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาย่อมกล่าวว่าสิ่งนี้มิใช่อื่นใดนอกจากมายากลอันชนเท่จัมพ์มนนพวกเขาได้กล่าวว่าฉัไหนเล่ามรักจึงไม่ได้ถูกลงมาให้แก่เขา และหากว่าเราได้ให้มาลักลงมาแล้วแน่นอนกิจการทั้งหลายนั้นก็ย่อมถูกชี้ขาดและพวกเขาก็จะไม่ถูกรอคอยหากว่าเราได้ให้เขาเป็นมาลับแน่นอนเราก็ย่อมให้เขาเป็นคนผู้ชายและแน่นอนเราก็ได้สิ่ง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 จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดพวกเจ well ้าจงเดินทางไปในแผ่นดินเถิดแล้วจงพิจารณาดูว่าบัานปลายของผู้ปฏิเสธสถานั้นเป็นอย่างไรบ้างจงกล่าวเถิดมิวัลอรัด ہ, ت, هم هم จงกล่าวเถิด ม, มูฮัมหมัดว่าสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนั้นเป็นของใครจงกล่าวเถิด ม, มูฮัมหมัด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 จงกล่าวเถิดมฮัมหมัดว่าแท้ที่จริงฉันกลัวการลงโทษในวันอันยิ่งใหญ่หากฉันฝา่าฝืนพระผู้อภิบาลของฉันไม่ผู้ใดที่การลงโทษได้หันเหกออกจากเขาในวันนั้นแล้ว แน่นอนพระองค์ทรงเมตตาเขาและนั่นคือชัยชนะอันชัดเจดลลดนและบอกว่าอัลลอฮ์ทรงให้ความเดือดร้อนอย่างหนึ่งอย่างใดประสบกับเจ้าแล้ว